คุณผู้ฟังค่ะระหว่างที่บีกำลังจะเริ่มทำคลิปนี้นะคะก็ได้ยินเสียงระฆังแว่วมาแต่ไกลเลยนะคะรู้สึกว่ามีความสุขใจมีความสงบใจที่ได้ยินเสียงระฆังนะคะแล้วก็ยังอยู่ในมโนสานึกว่ายังมีพระสงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่ในประเทศไทยมิเสื่อมคลายแล้วก็ยังรู้สึกนะะว่าพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเองก็ปฏิบัติกิจโดยชอบโดยคนเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะคะก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็รู้สึกสุขใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระฆังดังมาจากวัดนะคะ เรื่องราวที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีอาพาธพินาศนะคะเหลือเชื่อเลยช่วงนั้นเนี่ยเกิดฝนตกหาใหญ่หลังทําพิธีโรคระบาดก็เริ่มสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์พาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในประเทศไทยสมัยก่อนค่ะประเทศไทยของเราก็มีพระราชพิธีหรือว่าประเพณีโบราณมากมายซึ่งหาดูได้ยากในสมัยนี้รวมถึงพิธีโบราณที่ไม่มีแล้วในปัจจุบัน วัดสะเกดเป็นศาสนาสถานแห่งหนึ่งที่สำคัญมีตำนานเล่าขานมากมายตำนานที่โด่งดังของวัดนี้ แน่นอนค่ะว่าคงหนีไม่พ้นตำนานแรงวัดสะเกดซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเกิดโรคระบาด ท, ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงโปรดเกล้าให้จัดพิธีอาพาธพินาศเพื่อขับไล่โรคนี้ให้ออกจากพระนครไปซึ่งก็เป็นความเชื่อและก็กุศโลบายเพื่อพระราชพิธีให้กำลังใจแก่พระสนิกรของพระองค์นะคะ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพุทธศักราช 2,363 ได้เกิดโรคหาระบาดอย่างหนักในกรุงเทพมหานครขณะนั้นซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีวิธีรักษาค่ะแล้วก็ยังไม่รู้จักการป้องกันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยท่านก็เลยส่งใช้วิธีให้กําลังใจค่ะปลดเกล้าให้ตั้งพิธีขับไล่โรคนี้ขึ้นซึ่งก็เรียกว่าพิธีอาพาธพินาธโดยจัดขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนค่ะอัญเชิญพระแก้วมรกตแล้วก็พระบรมสารีริกธา ทาดออกแห่มีพระราชาคณะโปรโยพระพุทธมนต์ตลอดทางทรงทาบุญเลี้ยงพระโปรดให้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์แล้วก็ประกาศไม่ให้ประชาชนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่กันแต่ในบ้านกระนั้นก็ยังมีคนตายเพราะว่าอหฮีวาตากโรคประมาณสาม0 0ื่นคนศพเนี่ยกองอยู่ตามวัดเป็นภูเขาเหลากาเลยนะคะเพราะว่าฝังแล้วก็เผาไม่ทันค่ะบ้างก็แอบเอาศพทิ้งลงไปในแม่น้าลาคลองในเวลากลางคืนก็เลยมีศพลอยเกลื่อนกลาดไปหมด ประชาชนต่างอพยพหนีออกไปจากเมืองด้วยความกลัวพระสงทิ้งวัดงานของราชการและธุรกิจทั้งหลายก็ต้องหยุดชะงัก ส่วนผู้คนที่ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็คือจะมีพาระในการดูแลคนป่วยและก็จัดการกับศพของญาติมิตรในเวลานั้นวัดสะเกตค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมของแรงจำนวนนับพันตัวนอกจากการพระราชพิธีอาพาธพินาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองท่านก็ส่งรักษาอุโบสถศีลแล้วก็พระบรมสารุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในก็พระราชทานอนุญาตให้รักษาศีลทำบุญให้ทานตามใจสมัครนะคะไม่ต้องเข้าเฝ้าหรือว่าทำกิจการราชการที่ไม่จำเป็นไพรซึ่งอยู่ในเวรรักษาพระราชวังนั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นนอกหรือชั้นในก็พระราชทานอนุญาตให้กลับไปบ้านเรือนตามสมัครใจค่ะโดยทรงพระกรุณาว่าประเพณีสัตว์ทั้งหลายภัยมาถึงก็ย่อมรักชีวิตบิดามารดาภรรยาบุตรญาติพี่น้อง ก็เป็นที่รักเหมือนกันทั่วไปจะได้ไปรักษาพยาบาลกันผู้ใดมีกระตันยูอยู่รักษาพระองค์ไม่ได้กลับไปไหนนั้นก็พระราชทานเงินตราเป็นบำเหน็จตามความชอบนะคะนอกจากนี้ค่ะรัชกาลที่สองท่านเองก็ทรงจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระภายในพระบรมหาราชวังโปรดให้จัดซื้อปลาแล้วก็สัตว์4เท้าสองเท้าที่จะมีผู้ฆ่า มาซื้อขายกันในตลาดเพื่อที่จะเอามาถวายแล้วก็ส่งปล่อยสิ้นพระราชทรัพย์ไปเป็นจำนวนมากนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ก็ให้ปล่อยออกจนหมดสิ้นเว้นแต่พวกพมา่าฆ่าสืกค่ะแล้วก็มีรับสั่งให้ราษฎรเนี่ยงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้อยู่แต่ในเฉพาะบ้านเรือนของตนเว้นเสียแต่จะมีธุรกิจจำเป็นจริงๆนะคะ หลังจากสิ้นการพระราชพิธีอาพาธพินาศแล้วฝนก็ตกลงมาหาใหญ่ค่ะอหิวาตากโรคระบาดอยู่ประมาณ15วันจึงเริ่มสงบลงนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีศพที่ไม่มีญาติในรัชกาลที่สองเนี่ยท่านก็พระราชาทานเงินค่าจ้างและฟืนให้เก็บเผาซะจนหมดสิ้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงผ่านพ้นภัยมาได้ในครั้งนั้นนะคะ อหิวาตกโรคเวียนมาในทุกฤดูแลง้งแล้วก็หายไปในทุกฤดูฝนเช่นนี้ทุกปีจะในปีพุทธศักราช2392อหิวาตกรโรคก็กลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นในปีนังก่อนแล้วก็แพร่ระบาดมาจนถึงกรุงเทพซึ่งเรียกกันว่าหาลงปีรากา ในระยะเวลาช่วงหนึ่งเดือนที่เริ่มระบาดเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตมากถึงหนึ่งมืนห้าพันคนถึงสองหมื่นคนและตลอดฤดูนะคะตายมากถึงสุดถึงสี่หมื่นคนค่ะเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือรัชกาลที่สี่ซึ่งขณะนั้นดำรงเพศบรรพชิตเป็นพระราชาคณะได้ทรงบัญชาให้วัดสามวัดก็คือวัดสระเกศวัดบางลำพูและก็วัดตีนเลนนะคะเป็นบริเวณสาหรับเผาศพ ก็มีศพนำมาเผาสูงสุดถึงวันละ696ศพกันเลยทีเดียวถึงกระนั้นค่ะศพที่เผาไม่ทันก็ถูกกองสุมกันอยู่ตามวัด โดยเฉพาะวัดสะเกดมีศพส่งไปไวมากที่สุดทำให้ฝูงแรงเนี่ยลงไปถึงกินซากศพตามลานวัดบนต้นไม้บนกำแพงแล้วก็หลังคากุติเต็มไปด้วยแรงแม้เจ้าหน้าที่จะถือไม้คอยไล่ก็ไม่อาจกั้นฝูงแรงที่จ้องเข้ามารุมถึงซากศพอย่างหิวกระหายได้แล้วก็จิกกินซากศพจนเห็นกระดูกขาวโพลนพฤติกรรมของแรงวัดสะเกดที่น่าสยดสยองจึงเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วนะคะ พูดวอล์ ก, กลับเข้ามาในเรื่องของการตีระฆังของวัดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งความจริงแล้วพระสงฆ์เนี่ยเลิกตีระฆังได้หรือไม่ในกิจของสงฆ์ระฆังนี้มีไว้เพื่อใช้ตีบอกสัญญาณเวลาแก่พระสงฆ์ในการลงธรรมวัดแล้วก็ประกอบกิจของสงฆ์ค่ะความหมายแล้วก็สั ญ, ญลักษณ์ทางพุทธรปรัชญาหมายถึงการตื่นการเข้าถึงสัจธรรมและให้ความรู้สึกแห่งสันติสุขนะคะส่วนความเชื่อของชาวพุทธ เสียงระฆังคือเสียงแห่งสวรรค์สัญญาณแห่งบุญความดีสิริมงคลและระฆังค่ะซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความดีเกียรติยศชื่อเสียงประดุจประตูก้าวสู่สวงสวรรค์ผู้ที่สร้างระฆังถวายวัดหรือโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อไว้เคาะไวต้ตีส่งสัญญาณให้รู้ถึงวันเวลาเท่ากับเป็นการสร้างความดีสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องตีระฆังทุกเวลาตอนเย็น แล้วก็เวลาตอนเช้าก็เป็นการปลุกให้พระสงฆ์ในวัดเนี่ยลุกขึ้นมาทํากิจของสงฆ์นอกจากนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยตีการตีระฆังหรือว่าการตีเกราะการตีคล้องตีกลองอะไรก็แล้วแต่นี่ก็จะเป็นการส่งสัญญาณบอกถึงเหตุบอกถึงเพศภยัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามานะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของเสียงกลองเสียงระฆังเนี่ยเสียงเป็นเป็นเสียงแห่งสั ญ, ญลักษณ์วิถีพุทธวิถีไทย ในสมัยก่อนบ้านเมืองนี้ยังไม่เจริญอย่างในปัจจุบันนี้นะคะนาฬิกามักจะมีเฉพาะตามวัดเท่านั้นพระท่านก็ต้องตีกลองหรือว่าตีคล้องระฆังซึ่งเป็นสัญญาณบอกให้ทราบเวลาเป็นระยะไปเช่นเวลา18บแนาฬิกาตามวัดต่างๆในชนบทท่านมักจะย่ํากลองหรือย่ําคล้องย่ําระฆังเพื่อบอกเวลาให้กับชาวบ้านด้วยเหตุที่ทุกวันนี้ชาวบ้านมักมีนาฬิกาใช้กันไปทั่วแล้วเนี่ยการย่ากลองย่ำคล้องหรือย่ําระฆังในปัจจุบันจึง ชักค่อยๆหมดไปแต่ก็ยังคงพอได้ยินเสียงอยู่นะคะอย่างเช่นกองเพลนเสียงระฆังรวมทั้งเสียงย่ำกลองย่ำขลงอยู่บ้างจากวัดในจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนนท บ, บุรีปทุมธานีแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นค่ะ พระราชวิจิตปฏิพานนะคะหรือว่าเจ้าคุณพิพิธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามท่านบอกว่าเสียงกลองจากวัดที่เราได้ยินกันจนค้นหูคือเสียงกลองเพลงเวลา11นาฬิกาเพื่อเป็นการบอกนะคะบอกในส่วนของเวลาฉันเพลงทั้งนี้จะตีโดยใช้ไม้เดียว3ลานะคะก็คือลามาจากการรัวกลองหรือระคังจากจนข้อมือเนี่ยมันลา้าจากช้าไปเร็วสุด จบด้วยการตีสามครั้งส่วนเสียงระฆังนั้นค่ะหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหรนะ่นักโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะสำหรับการตีระฆังถ้าเป็นช่วงในพรรษามักจะมีการตีระฆังในช่วงเช้ามืดทุกวันเวลาประมาณตี4ีถึงตีสีครึ่งโดยจะตี3ลาค่ะแล้วก็จะตีนานถึง30นาทีเพื่อปลุกพระให้ตื่นจากการจำวัดเพื่อลงประชุมทำวัดสวดมนต์ในตอนเช้ามืด เป็นการกำจัดกิเลสทำตนให้เป็นเขตนาบุญเมื่อออกบิณฑบาตโปรโดญาติโยมในเวลาเช้าโยมจะได้บุญมากๆแล้วก็จะมีผลต่อความเจริญของผู้ที่ตักบาทนะคะซึ่งในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งสัญญาณให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาเตรียมกับข้าวกับปลาใส่บาตอย่างไรก็ตามค่ะการตีระฆังจะมีการตีอีกสองช่วงเวลาเพื่อสวดมนต์ทวัด ครั้งแรกประมาณตีสามนะคะตีสามหรือตีสี่ก็แล้วแต่บางวัดนะคะนะคะเพื่อส่งสัญญาณให้พระลงทําวัดเช้าแล้วก็ตีอีกครั้งหนึ่งเวลา16บหนาฬิกาค่ะจะตี3ลานะคะทั้งนี้จะใช้เวลาตีไม่เกิน1 0บถึงสินาทีเพื่อส่งสัญญาณให้พระลงประชุมทำวัดเย็นเหตุที่ใช้เวลาตีนานต่างกันเพราะว่าตอนเช้ามืดพระท่านง่วงกลัวจะนอนเพลินไปเพราะว่าไม่ได้ลุกขึ้นทําวัดเช้ามืดส่วนตอนเย็นพระท่าน อยู่แล้วก็เลยตีนิดเดียวนะคะไม่ได้ตีเยอะอะไรสำหรับความพิเศษของการตีกลองตีระฆังเพื่อส่งสัญญาณ ร, รมวัดนั้นเจ้าคุณพี่พิษบอกแน่ว่าต้องยกให้การตีกลองตีระฆังย่ำค่ำก็คือในช่วงพันษาเมื่อทมวัดเย็นจบแล้วประมาณ17นาฬิกานาทีถึง18นาฬกาก็จะมีการตีกลองย่ำคำ่ำซึ่งเป็นการตีกลองและระฆังประสานเสียงกันค่ะโดยตีกลอง8ครั้ง แล้วก็จะมีการตีระฆังไปพร้อมๆกันกับการตีกลองในจังหวะตุ่มสุดท้ายพร้อมกันจากนั้นก็จะเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นต่างรูปต่างรัวจนรัวไม่ไหวจึงเป็นอันว่าเสร็จ1ลาและจะต้องตีเช่นนี้อีก2ลารวมเป็น3ลาและทิ้งท้ายอีก3าครั้งเป็นการประกาศชัยชนะกิเลศของพระในวัดนั้นๆโดยผู้ที่อยู่ทางบ้านหรือไกลออกไปค่ะเมื่อได้ยินเสียงกลองย่ํำคำําก็จะต้องยกมือขึ้นประนมจบศีรษะ อนุโมทนาบุญนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการตีกลองและระฆังอีกสองเรื่องก็คือ 1. ตีเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในวัดเช่นไฟไหม้โจรปล้นและภิกษุมรณภาพหรือต้องอาบัตหนักถึงขั้นปราชิกนะคะทั้งนี้จังหวะการตีกลองตีระฆังไม่เป็นจังหวะเหมือนย่ําค่ำนะแต่ว่าจะเป็นการตีรัวทั้งกลองและระฆังเมื่อชาวบ้านได้ยินค่ะก็จะรีบออกไปที่วัดทันทีและก็2นะคะตีเมื่อเกิดจันทรค้าและสุริย คราดก็จะตีกลองระครังแล้วก็ใช้ตีแบบจังหวะย่ำหรือลีลาย่ำ่ําจนกว่าจันทรคราดแล้วก็สุริยคราดจะคลายออกไปอันนี้ต้องใช้พระเนนหลายรูปส่วนใหญ่จะตีกันจนมือพองกันเลยทีเดียวขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านก็จะช่วยกันตีปิ๊บ ตีเกาะเคาะไม้เพื่อให้พระราหูเนี่ยคลายจากการอมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์อีกคติหนึ่งเนื่องจากเป็นพระโหราจารยร์คำนวณสุริยะจักรวาลได้เช่นเดียวกับรอสี่เป็นการส่งสัญญาณให้ชาวบ้านดูท้องฟ้า สมเด็จพระยา น, นวรโรดมอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพสรินทาราวาสกรุงเทพนะคะท่านก็เคยอบรมพระเนนที่เรียนมมรบอกว่าพระเนนเดี๋ยวนี้เนี่ยละเลยไม่ศึกษาวิถีพุทธวิถีไทยเรื่องตีกลองตีระครังบางรูปขึ้นไปบนหอระครังคว้าไม้ได้ก็ตีระครังไปเลยจะตีกระหน่ำเอากระหน่าเอาเอาแบบตีสลาไม่ถึง5นาทีค่ะ หมาอ้าปากจะหอนสักหน่อยเอา้าจบซะแล้วหมาก็เลยอดหอนเลยส่วนบางรูปนะก็ตีอ้อยส้อยหมาหอนจนขากันไกรค้างก็ยังตีไม่จบค่ะนี่ก็เป็นการแสดงถึงความห่วงใยกระตุ้นให้พระเนนได้ศึกษาและรักษาวิถีพุทธวิถีไทยและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานเจ้าคุณพิพิธกล่าวนะคะทีนี้ประเพณีตีกลองของภาคอีสานค่ะ ระเภณีตีกลองดึกนะคะกลองดึกก็คือการตีกลองสัญญาณตอนเวลาตี3ถึงตี4อันนี้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนได้รู้ถึงวันโกนวันพระก็คือข้างขึ้นหรือข้างแรมก็จะมีแรม7แรม8แรม14แล้วก็ขึ้น15บหาคำแล้วก็ให้งดเว้นสิ่งที่ควรงดนะคะ ตื่นขึ้นมาสมทานศีลไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนากลองดึกนี้เป็นสัญญาณเตือนก่อนตื่นนอนค่ะเพื่อให้ลุกขึ้นประกอบกรรมดีแต่เช้ากลางวันจะตั้งใจทําอะไรก็จะได้เตรียมตัวกันไว้แต่เช้าแล้วก็ไปบําเพ็ญความดีทั้งวันในวันโกนวันพระทั้งสองวันเพื่อเตือนพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมว่าเป็นวันพระที่จะต้องทํากิจทางพระพุทธศาสนานะ ส่วนประเพณีตีกลองแรงค่ะคือการตีกลองสัญญาณในตอนเย็นเพราะคำว่าแรงหมายถึงช่วงเย็นเป็นเวลาระหว่าง15นาฬิกาถึง16นาฬกา30นาทีอันนี้จะตีกันในวันโกนวันพระ ข้างขึ้นและข้างแรมนะคะของทุกเดือนเมื่อถึงเวลา15นวิกาก็จะมีการตีกลองแรงวันดังกล่าวเป็นวันพระพระภิกษุสา ม, มเณรก็จะหยุดการศึกษาเล่าเรียนจะซักสบงจีวรปัดกวาดบริเวณวัดให้สะอาดสะอา้านลงฟังเทศในวันพระสำหรับญาติโยมนะคะก็จะหยุดพักงานเพื่อที่จะมาทาบุญรักษาศีลฟังเทศการตีกลองแรงจะมีเฉพาะในพรรษาเท่านั้น ในขณะที่ประเพณีตีกลองงนันก็คือการตีกลองเวลาค่ำคืน19นาฬกาถึง20นาฬกาซึ่งจะตีทุกวันในช่วงเข้าพรรษา อันนี้จุดมุ่งหมายของการตีนอกจากจะเป็นการรักษาประเพณีในช่วงเข้าพรรษาเอาไว้แล้วยังเป็นการให้สัญญาณแก่คนหนุ่มสาวไปร่วมกันที่บริเวณวัดซึ่งเรียกกันว่าลงวัดนะคะเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันเช่นไดายา้ย่าฝึกร้องสารพันเป็นต้นในสมัยก่อนนี่ก็จะมีการตีกลองงานนะบรรดาชายหนุ่มหญิงสาวก็จะนําเครื่องสักดิ์สมีพวกดอกไม้ทูบเทียนหมากพลูบุหรี่ไปถวายวัดนะคะแล้วก็พากันทําวัดค่ํา รับศีลฟังเทศหากว่ามีเวลาก็จะหันสา ร, รพันธ์แล้วก็อบรมศิลธรรมพอสมควรค่ะแต่ว่าพระเนนเดี๋ยวนี้ละเลยไม่ศึกษาวิถีพุทธวิถีไทยเรื่องของการตีกลองตีระคังบางรูปนะคะขึ้นไปบนหอระคังได้ก็คว้าไม้ตีระคงังตีระคังจ้ำเอาจ้ำเอาหมาอ้าปากจะหอนสักหน่อยก็ตีจบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสาระสาคัญนะคะว่า ทำไมพระต้องตีระฆังแล้วการตีระฆังเนี่ยมีมาช้านานอยู่คู่กับคนไทยพุทธนะคะอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่พอศไหนปีไหนนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือพระราชพิธีอาพาธพินาศนะคะที่ถูกจัดขึ้น โดยหลายวัดรวมกันในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการตีระฆังเป็นการสวดกระนําตีระฆังทุกวัดนะคะเพื่อที่จะไล่สิ่งที่อับปมงคลหรือว่าความที่เป็นเสนียดจันไรที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยออกไปจากพระนะครให้เหลือแต่ความาดีให้เหลือแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษานะคะก็เป็นประเพณีเก่าๆที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะทีนี้คนเฒ่าคุณแก่เขาก็จะบอกว่าเวลาตีระฆังเนี่ย มันก็จะมีหมานะคอยหอนเพราะว่ามันเห็นพูดผีปีศาจพูดผีปีศาจที่เป็นวิญญาณดุร้ายเนี่ยนะคะเวลาที่มันได้ยินเสียงะระฆังจากพระตีมันก็จะออกมาดิ้นทุรนทุรายบางทีก็จะออกมาแบบโวยวายรำคานเมื่อหมามันมองเห็นค่ะมันก็จะเห่าจะหอนกันนะคะและอีกในหนึ่งคือหมามันก็ร่วมอนุโมทนานะคะในเสียงะระฆังที่เราได้ยินนั้น คนเท่าคนแก่สมัยก่อนนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังเนี่ยอ้ต่างชื่นอกชื่นใจนะเตรียมตัวเตรียมใจกันไปวัดทมบุญถือศีลลงอุโบสถนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ